นั่นมันเป็นโลกิยธรรมไม่ใช่เป็นโลกุตตรธรรมให้เข้าใจอย่างโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมไม่เหมือนกันเราดีใจเดี๋ยวเป็นบุตรในขณะเราเสียใจขณะไหนเวลาใดเราตกนรกแล้วเนี่ยนรกกับสวรรค์อยู่ด้วยกันมันเป็นสายเดียวกันนดี๋ยวไม่ใช่คนคนใดยังไปตกนรกอยู่ไม่ใช่คนคนใดยังมีความหนักใจทุกข์มากไม่ใช่คน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 แต่ใครๆก็เป็นสัตว์ได้เหมือนกันอันนี้ที่นำมาเล่าให้ฟังให้เข้าใจว่าโลกกิยธรรมโลกอุตตรธรรมหรือว่านโลกสวรรค์ในขณะเรามีความทุกข์โกรธเกลียดไม่สบายใจเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการขัดแย้งอยู่ในตัวเราเองคนนั้นพูดไม่ดีคนนี้พูดไม่ดีนี่คนอื่นนั่นเราจะไปห้ามเขาได้ไหมไม่ได้เร ต, ต้องหามตัวเราถ้าเราเป็นคน ถ้าเราไปห้ามคนอื่นไม่ใช่คนอยู่แล้วเตึงตันตอยู่แล้วมันเป็นการขัดแย้งเราเราขัดแย้งเองนะเราทุกเนี่ยเขาไม่ได้ทุกกับเราเนี่ยสมมติเขาจะทําอย่างนั้นห้ามแล้วเขาไม่ฟังเรื่องของเขาเนี่ยม่ใช่เรื่องเมื่อเราไปห้ามเขาไปฟังเราทุกมันขัดแย้งตัวเราเขาไม่ทํากับตัวเราแล้วเราทุกเนี่ยเราก็เป็นสัตว์นรกแล้วเนี่ยไอ้ใ้ที่เด็กพ่อพูดที่ควมทุกเนี่ยพ่อพี่เราสอนให้คนรู้จักทุกจริงจริงเมื่อเราไม่ให้ทุกเกิดขึ้นเราก็เป็นสวรหวั เป็นสวรรค์เป็นคนแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นคนเลือกขัดจัดเอาหลักษณะสมบัติของคนเนี่ยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาเลยบัดนี้หักห้ามได้เป็นมนุษย์เป็นสวรรค์เนี่ยสวรรค์เป็นโลกิยธรรมโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมมันจะฟังนะฟังให้เป็นจำให้ได้จะต้องเป็นปฏิบัติเอาเองนะถ้าไม่ปฏิบัติเอาเองไม่ได้ใครทําให้ไม่ได้ บิดามารดาทําแทนลูกก็ไม่ได้ลูกจะทําแทนบิดามารดาก็ไม่ได้สามีภรรยาทําแทนกันไม่ได้เรื่องนี้เคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนขาตโลตถาพตทาพระตถาคตเป็นแต่เพียงคนแ น, แนวเท่า น, นั้นเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอเธอปฏิบัติถูกท่องก็เธอได้รับผลเธอปฏิบัติผิดเธอก็ได้รับภพเท่า น, นั้นเองดังนั้นประเทศอินเดียมีร้อยเปรตลัที่ร้อยเปรตหลจาร ร้อยแปดนะใครชอบธรรมะใครก็ต้องไปเราเคยได้ยินวองค์ุริมันฆ่าคนก็อาจารย์หนึ่งเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตายอ้นหนี่อาจารย์สอนให้เข้าใจฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ฟังแล้วไม่เสื้อถือก็ไม่ได้เราต้องใส่เหตุผลพุทธศาสนาสอนเหตุผลไม่ใช่สอนให้เสื้อทันทีสอนเสื้อทันทีเขาวงงนายไม่รู้สอนเสื้อทอมมอนอันทีคือใคร องค์ุริมาอาจารย์สอนเรามีคาถาอหนึ่งดีที่สุดแต่ลูกศิษย์ลูกหาเรียนไม่ได้แต่เธอเป็นคนเรียนเก่งอย่างมากจะสอนให้แต่ว่าคนต้องใจถึงเขาจะฆ่าองค์คุริมาแต่องค์คุริมาไม่รู้แสดงว่าองค์คุริมาเป็นคนจรงิงแต่เป็นคนขาดปัญญาให้องค์ุริมาจะฆ่าคนถึงพันคนจะจวจสอนคาถาคนจํานวนพันคนต้องฆ่าองค์คุริมาไปเขาคิดอย่างนั้น เจ้าคนมันไม่สลดัดก็เลยไปฆ่าคนเด็กไปอย่างันอันนี้แหละเราต้องใช้สติปัญญาการทำการพูดการคิดไม่ใช่ออกฟังแล้วเสื้อทันทีมันหิดไปฟังไม่เสื้อเลยแบบนี้อุปการศิวกคนหนึ่งเป้งพระพุทธเจ้าเมื่อไปเจอกับพระพุทธเจ้าลูกทรงและการคมนาคมการไปการมาดูสวยสดงดงาม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 ไม่เสื้อทันทีก็ไม่ได้ในประเทศอินเดียมีหลายละที่มีหลายอาจารย์มีละที่ไม่นุ่งเสื้อไม่นุ่งผ้าก็มีนอนเสี้ยนนอนน้ำก็มีกินน้ําห้อนนอนย่างไปก็มีเนี่ยกินข้าวเรียอเอาเหมือนสุนัขนี่ก็มีครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังหลายละที่หลายนิกครเราชอบใครก็ต้องไปทุกคนนั้นที่ที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ได้ห้ามคน น, ค น, นั้นคนนี้ใครชอบต้องไปมันจะขัดนโะยบายไม่ได้ หลวพอเคยพูดคนกําลังวิ่งมาเรายืนอยู่ที่เนี่ยยืนสู้ไม่ได้เราต้องเพื้องตัวให้เขาไปเขาจะไปแล้วถ้าเราไปยืนสู้มันก็ตําเราชนเราเราก็สเสด็จหนีเราก็เก็บเราไม่ต้องไปสู้ไปทุบกระแสนลกปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนพูดความจริงให้ฟังแล้วก็แล้วไปเขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ทันว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาฟังธรรมะวันนี้ก็น้อยน้อยคน แต่พูดคนจริงไรบ้างหลักสนานรกนั้นคือในหลักษณะจิตใจเราเดือดร้อนเราไม่ใช่คนแล้วนนัแต่เราเป็นคนเรารีบรู้จัก ท, ทันทีโอ้เดือดร้อนแล้วอยากเป็นนรกทิ้งโอเที่ยวหลังโอ้เป็นอย่างในหลักษณะเราก็รู้จักว่าใจเราที่หลวงพ่อเคยพูดว่าให้ดูการเคลื่อนไหวของรูป ก, กายภายนอกแล้วก็ดูจิตใจนึกคิดจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาเราไม่ผันมันก็เป็นอารมณ์ เมื่อเป็นอารมณทําไปตามใจคิดเมื่อทําไปตามใจคิดมันก็ตกต่ำที่ใจมันใจมันไปข้างต่ําจึงว่าให้ดูใจเมื่อมันคิดเข้ามาเห็นรู้เข้ามาทำคนมผนคือมันจะวางวางใจมันจะมาอยู่กับคนรู้สึกเมื่อมาอยู่กับคนรู้สึกแต่ปัญญาแล้ะมันซาคนจะล่วงผู้ปฏิปักษปัญญาเนี่ยฮะตอนนี้เมื่อปัญญาโอ้มันคิดเมื่อกี้นี่ผิดลักษณะนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นแล้วก็รู้เที่ยวหลังมันเป็นหมาแล้วก็ต้านอะไรแต่เดียวเป็นมนุษย์ มนุษย์จึงหักห้ามจิตใจได้ถ้าเราหักห้ามจิตใจไม่ได้ก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ยังเป็นคนเรียรู้จักแล้วคนนะรู้จักว่าจะเหนีที่แล้วแต่มันนี้ไม่ได้สมมุติเอาที่นี่เป็นป่าที่ที่วัดเราเนี่เป็นป่ามีเสือมีตักขาบมีแมงป่องมีงูมีสัตว์ร้ายอยู่ที่นี่นะเราจะอยู่ที่นี่ยต้องหาวิธีกัดถ้าเราไม่หาวิธีการเสือจะมากัดเรา งูจะมากัดเราตะขาบแมงป่องจักรราจะมากัดเราเราไปไม่พ้นเราต้องหาวิธีการอันนี้เขาเรียกว่าโลกิยธรรมพราะเราหนีไม่ได้ถ้าเราหนีจากนี้ไปพ้นแล้วก็ว่าโลกุตรธรรมก็ว่านิพพานนิพพานเขาเรียกว่าโลกุตระธรรมโลกิยธรรมเป็นวิสัยของคนผู้ที่ไม่รู้ไม่รู้ทิศทางออกนั่นเองไม่รู้ทางออกไปจากทุกข์ก็ว่าโลกิยธรรม โลคูตรธรรมเราลุยจากทางออกจากนี่ไปเลยไม่ต้องเข้ามาทีน่นี้เราข้าไปอยู่ฝากคลองเบื้องนั้นสัตว์ร้ายมันตามเราไม่ได้เสือก็ตามไปไม่ได้ตะขาบแมงคองตามเราแม่เราก็มองดูสภาพสัตว์เหล่านั้นกระไยุ่งกันอยู่ทีนี่าพาไปเรียนทั้งสอนใกลๆ้ๆแต่เรามันได้เข้าใจลึกเกินไปก็เลยไม่เข้าใจความหมายตายแล้วจึงจะเอาสวรรค์ตายแล้วจึงเอาเนรพลหลวงพ่อเข้าใจอย่างนไรบัดนี้หลวงพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้น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 คนนั้นเอาลู่อย่างนั้นน่ะนับเม็ดเห็ดเม็ดสายในท้องมาหาสมุทรทะเลได้ทุกเม็ดพระพุทธเจ้ากลว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหล่า้นมาแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้มีการขัดแย้งเกิดขึ้นภายในใจิตใจตัว ด, ดีกว่ามีประโยชน์กว่าไม่ต้องเขียนหนังสือเป็นก็ได้ไม่มีเงินก็ได้ไม่มีขุมลู่อะไรก็ได้แต่ว่าแก้ปัญหาตัวเองให้ได้คนแก้ปัญหาการขัดแย้งตัวเองไม่ได้แม้จะมีเงินจากพันลานก็ไม่มีประโยชน์อะไร คนคนนั้นจะพ้นเข้าไปได้ไหมวันนี้เขามีเงินบางทีเขานอนอาจจะคิดก็ได้เนี่ยอาจจะเขามีคมทุกข์ขึ้นมาเม่อใดก็ไ ด, ไดนั่นเท่าแต่วันนี้เราไม่มีเงินแต่เราไม่ยอมให้คนทุกประเภทท่านเกิดขึ้นภในจิตใจเราก็หันหลังให้เนี่ยเราจะไปโลกุตละธรรมแต่ว่าโลกุตละธรรมคืนนี้ผ่านจริงไม่มีการเกิดไม่มีการแก้ไม่มีการเก็บและไม่มีการตายเพราะมันพ้นภัยไปแล้วทันวัน แต่เดียวที่เราไม่รู้่ะโลกุตละธรรมคืออะไรอยู่ที่ไหนคนโบราณบ้านหลวงพ่อเคยสอนอวสัรรค์อยู่ในอกนั่นรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจใจมันอยู่ที่ไหนเราเคยเห็นใจอเราบ้างไหมไม่เคยเห็นเมื่อไม่เคยเห็นเราก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้รู้ใจเราคืออะไรไม่ใช่ใจมันคิดนะอันใจอันมันคิดนะั่นเขาอกว่านะเป็นอารมณ์เป็นใจคิดแต่ตัวใจจริงๆมันไม่ใช่อันนี้ เนี่ว่าคนมันไม่เข้าใจคำพูดมันจะทำความรู้สึกตัวควรู้สึกเนะี่ยคือใจความรู้สึกมันเปลี่ยนตัวออกจากคนไหนให้คมรู้สึกทําหน้าที่ของมันถ้าคมรู้สึกไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเราก็ไปคิดถห้ามมันก็ไ ห, หลไปตามกระแสของอารมณ์จะไปไหลไปตามกระแสของความคิดเราจะรักษาศีลให้ฐานทํากรรมาฐานจะเลยไม่ปริปนาเท่าแต่กตาก ถ้าเรายังไม่มาแก้ปัญหาการขัดแย้งตัวเราแล้วไม่มีโอกาสไม่มีทางเลยข้อแรกที่สุดต้องรู้อันนี้ก่อนหลวงพ่อรู้รู้ลูกน้มเมื่อรู้ลูกนามตอนเช้าตอนเย็นหลวงพ่อก็รู้จิตใจดวงพ่อคิดเมื่อรู้จิตใจดลวงพ่อคิดเรื่องความโกรธเนี่ยเรียกว่าโกรธปาโมหะโลลดน้อยไปทันทีเลยพราะเห็นหักห้ามได้หนึ่งเราก็มีสติเข้าไปอยู่แต่ความรู้ตัวนี้มันเข้าไปรู้อยู่นั่นแหละ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 เมื่อมันชอบอารมณ์ก็เลยไหลไปถล่มตนลืมตัวหลงกายลืมใจทันาันั้นที่หลวงพ่อนํามาพูดให้ฟังนี่ว่าให้เราเข้าใจโลกิยธรรมเป็นวิสัยของโลกไม่จะมีเงินจักพันลานน้านก็ยังเป็นวิสัยของโลกไม่จะเรียนหนังสือจบประโยคเข้าก็กยังเป็นวิสัยของโลกแม้จะเรียนหนังสือจบปริยาเอจากจักร้อยปริยาเอกก็เป็นวิสัยของโลกเพราะหนีจากโลกไม่ได้กว่าโลกิยธรรม แต่ข่มดีอันนี้ไม่ใช่ดีในโลกุตละธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เอาดีในโลกุตละธรรมแต่ว่าเรายังอยู่ในโลกิญธรรมก็ได้แต่เราอย่ามาอาศัยโลกิญธรรมเป็นพื้นฐานถ้าเราอาศัยโลกุตละธรรมเป็นพื้นฐานท่านว่าอย่างนะัแต่เราอยู่ในโลกิญญธรรมพระพุทธเจ้าหรือภาคสาวกทุกองเมรทุกแล้วไม่ใช่ตายทันทีแต่เขายัางอยู่โลกิยธรรมแต่เขาอยู่โลกุตละธรรมเขาไม่มีทุก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 บาลมบาลี ali, มันก็ไม่ใช่เป็นภาษาไทเราเป็นคนไทยต้องเรียนภาษาไทยคนไทยก็โกรธเป็นเหมือนกันคนฝรั่งก็โกรธเป็นเหมือนกันคนจีนก็โกรธเป็นเหมือนกันจือบไม่เป็นของไข่ทำสอนของพระพเจ้าไม่เหมือนกับศาสนานอื่นศาสนานอื่นๆนั้นอาศัยพระเป็นเจ้ามารับรองเอายงจิตวิญญาณจะไปอยู่กับพระเป็นเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นสอน ให้มีเหตุผลทำเหตุดีผลออกมาโกดีทําเหตุเลวสามผลออกมาไป ล, ลัะผลเลวสามท่นว่าอย่างนั้นดังนั้นควมโกดคมโลกคมห ล, ลงเป็นโลกิยธรรมโกดบ้างไม่โกดบ้างมีทุกบ้างสุขบ้างเป็นโลกิยธรรมโลกียธรรมกับสวรรค์สวรรค์กับโลกียธรรมเป็นคำเดียวกันนะั่นนรก อเวจีเป็นคำเดียวกันนั่นลกอเวจีถ้าไปตกนรกเรียกว่าขุมน้อยไปตกอเวจีเราขุมใหญ่นานได้เกิดมาเราเครียดบางทีนะตั้งวันมันมีบางคนแป๊บเดียวหายเขาเป็นทวนนั่นนรกถ้าเครียดยึดถือเข้าไปเขาเป็นอเวจีเข้าว่าพระพุทธเจ้ามาตัดสรุูแต่ละพระองค์จะเห็นแสงลิ์ของพระเจ้าจะแป๊บเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าขุมโกรธมันใหญ่ตอนนี้เมื่อเรามาคิดเอิบมันกดธแป๊บเดียวก็เราก็ไปตกนรกขุมน้อย ถ้าเราไปอยู่ดันนานคนอื่นมาพูดให้เราเรายังไม่รู้สึกตัวเราก็เป็นตกอวิชฌิแล้วนี่พอเดีหายเราเราขึ้นมาสวรรค์ใจเรายังไม่รู้ว่าเราไปสวรรค์เราพยายามดูใจมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้มันคิดเครียดแค้นแน่ ใ, นใจสุดท้ยปล่อยไปเราพยายามเลือกเอาแล้วมันเลือกเขาที่อาเอาใจสบายแล้วจิต ใ, ใจสบายมันมีทุกคนในที่นี้เรนนี่มีเนี่ยเรนนี่เป็นยังไง เ, เป็นยังไงเดีนิจใจสบายไี่ความสบายนี่แหละเนี่ยเราต้องพยานอยู่คนสบายตรงนี้ครัว่าเป็นวิสัยของมนุษย์จ่มนุษย์สมบัติ เ, เป็นสวรรค์เด็ยเดี้เราเป็นสวรรค์นีถ้าสบายคนนี้ไปเราพูดจากเป็นนิพพานสมบัติครับนิพพานก็หมายถึงไม่มีกลับเนี่ยนี่ น, นิพพานมันอยู่ตรงนี้แต่เข้าใจใกล้ๆที่หลวงปู่ไม่ต้องอะไรทั้งหมดสินีกระทาให้เราไม่ได้อะไรทําให้ได้เราไม่ได้เท่าได้แต่สฉาะปัญญาเท่านั้น คนจะล่วงคุกไปได้เพราะปัญญาไม่ใช่คนจะล่วงคุกไปได้เพราะผมไม่รู้ไปนั่งหลับหูหลับตาไม่ใชอย่างนั้นที่หลวงพ่อมาพูดให้ฟังตั้งใจครับอยู่ที่ไหนเขาปฏิบัติได้แตบขอให้ว่าคนที่จะมาแนี่เราไปเท่านั้นเองเราจะไปในดูไหนก็ต้องไปเลือกเขาไม่มีใครห้ามเลือกครูบาอาจารย์เลือกได้เรามีสิทธิเต็มที่เพราะเราเป็นคนชอบองค์ใดต้องไปหาองค์นั้นอย่าให้มันเสียเวลา ถ้าเราชอบองคนี้กลับไปติดองค์นั้นมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันก็เสียเวลาวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงเราไปเสียเวลาจะไดจากสองชั่วโมงแล้วก็เหลือเพียงแปดชั่วโมงเท่านัสิบชั่วโมงเราไปเสียเวลาสี่ชั่วโมงแล้วก็เหลือน้อยขอึ้นบางคนเสียจนหกชั่วโมงก็มีเดินทางไปจะไปที่ไหนได้โลกิยธรรมหมายถึงไปไม่ถึงโลกุตละธรรมไปไม่ถึงนิพพานให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเราไปถึงนิพพานเมื่อใดกันนั่นแหละทีวเราเป็นโลกุตละธรรม เมื่อเรายังไม่รู้โลกุตรธรรมแล้วก็อยู่ในโลกิยธรรมเป็นวิสัยของคนผู้ที่ไม่รู้ถ้าคนใดออกจากโลกิยธรรมไปได้เป็นโลกุตธรรมน่ยเป็นวิสัยของบุคคลผู้ที่รู้อย่ยงอาริยะบุคคลอาริแปล่าข้าศึกเงาเปล่คนไปแล้วจากความทุกข์ท่านสอนเท่านั้นเองเราเคยสวดกันหน่อยายยะปฏิปโนุภควาโตสาวกสังโสดสาวโลกของะ รู้มีพระภาคเจ้านั้นบูเดิปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์และออกจากทุกข์ไปได้เขาเรียกเป็นโลกุตรธรรมถ้าออกจากทุกข์ไม่ได้ปัดตัวไม่ได้เขาเรียกป็นโลกินยธรรมดังนั้นคนเนี่ยทุกคนยังไม่ทันตายอยากเกิดแล้วผิดแล้วครัพบพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้แต่ว่าการเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นคน เกิดเป็นเทวดาทุกอย่างเทวดาเป็นเทวดาก็ตายเป็นนะเป็นคนก็ตายเป็นนะเกิดชาตเดียวตายาเสจะเกิดสองครัง้งตายสอ ง, งครั้งเกิดสิบครั้งตายสิบแท้คนมันอยากมาเกิดเลิกแสดงว่าคนนั้นรู้ไหมไม่แสดงว่าคนนั้นเป็นคนไม่ใด้คนถ้าพูดอย่างนี้อย่าไปเสียใจเสียใจก็ทุกแหละหลวงพ่อพูดคนจริงให้ฟังคนอยังมาเกิดก็อยากมาตายสิเราเกิดมาแล้วที่ไหนต้นไม้ก็ตายคนก็ตายเกิด ก็ที่นายตายทุกทเสี่ยวเขาเรียสอนให้เรารู้จักเห็นผิดภัยอันนี้เดี๋ยไปให้พ้นท่านบอกภาวกรกฤิไปให้พ้นไปให้พ<ม>้นเพื่เพระเาะเราจะสงวนควบคุมตัวเองไว้จวนจะหมดลมหายใจเนี่ยทุกคนต้องประสบเรื่องนี้จริงๆพูดให้ฟังมาแล้วอย่างน้อยต้องสิบครั้งจะร้อยครั้งก็ได้อาจจะได้ยินหลวงพ่อเคยพูดอันนี้ถ้าควบคุมอันนี้ไม่ได้เราก็ไม่ใช่คนเนี่ยมันจะกลับมาเนี่ยควบคุมให้มันได้ ว่าศึกษาตัวเองควบคุมตัวเองร่างกายไม่ควบคุมไม่ได้มันหิวต้องให้สิ่เรื่องจิตใจควบคุมได้ทําไมจะควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนแล้ไม่ทํากับมันนั่นแหละพระนเองถ้าเราหวังยังมาเกิดอีกขยับมาตา ย, อ, ยาาอีกแล้วจะมาทุกข์อีกแล้วอยากเป็นโลกีธรรมก็อยากไปนรกนบ้างไปสวรรค์ถ้าคนใดเอ่ยไม่เอาเลยการเกิดเนี่ยไม่เอาแลยต้องก็แล้ว ก, ลวกันไปเ ท, ท่านั้นเองจะากเป็นโลกีธรรมเราไม่หวังนะ จังหวะที่พูดนี้ไม่ได้ห้ามใครทำคนดูเพราะุ่งปุ่กิ่คนไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาจะเป็นเรียนเอามันจะรู้ทำต้องปฏิบัติให้มันเกิดความรู้ทำยังไงจึงจะเกิดปัญญาทำยังไงจึงจะมีญาณปัญญาทำยังไงเราต้องสอบสแสวงหาจนได้ถ้าเราเมื่อยังมีลมหายใจไม่สอบสแสวงหานะ่ะจะมีโอกาสได้ไหม ไม่มีโอกาสนอายุ30ปี40ปีบางคน60ปี70ร้อยปีตายเน่าเข้าหลุมยังไม่เคยรู้ว่าเราเป็นอะไรหลวงพ่อก็ไม่เคยรู้แต่ว่าหลวงพ่อเคยให้ทานมาเคยรับศีลมาหลพ่อใจหลวงพ่อไม่รู้แต่หลวงพ่อเนื่อว่าทําบุญมากๆตายแล้วไปเกิดเมืองสวรรค์เป็นเทวดาแล้จะกลับมาเกิดในเมืองคนนี่เป็นคนสวยเลยครับหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อต้องการอย่างนั้น เมื่อมาประสบสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อไม่เอาแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เอยใครจะว่ายังไงหลวงพ่อก็ไม่เอาหลวงพ่อเป็นมิตรสาธิติก็เป็นได้ใครจะว่าเป็นสมาธิิก็เป็นได้ว่ามันเป็นเรื่องสมมติเนี่พระพุทธเจ้าสอนเราให้เรารู้จักเท่านั้นเองเรารู้จักเราเราจะหนีหรือเราจะอยู่เท่านั้นเองคนรู้จักแล้วอยู่กับไม่ใช่คนรู้จักแล้วต้องหนีถ้ารู้จักแล้วไม่หนีก็ไม่ใช่คนจะหนีไม่ได้ก็เป็นโลกียนธรรมไม่ใช่ว่ารู้แล้ว ดีไม่แต่อย่างรู้แล้วต้องหนีคันรู้แล้วไม่หนีไม่มีประโยชน์กับคุณค่าที่เรารู้มาเลยสมมุติเราเหิวข้าวเนะี่ยมีข้าวอยู่ที่นี่ยเราไม่กินนี่จะมีประโยชน์อะไรข้าวอนะ่ะหิวข้าวต้องกินข้าวกินข้าวแล้วมันหมดหิวนั่นก็นดีเถ่ะนะทีอันนี้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตของเราเราก็ไม่ทํามันแล้วไม่มีเรื่องอะไรไปวังวันนี้ฝังใกล้าะว่าไม่ต้องพูดอะไรกันมากมาเกี่ยว โ ล, รรโลกียธรรมโลกุตตรธรรมหรือว่าสวรรค์นรกอเลกีพูดใหุ้การณ์ใกล้นรกคือคมร้อนร้นอนใจมีทพลุกแล้วพอในขณะไหนเวลาใดเราทุกข์อันนั้นมันจางคายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์โคตรมาเทียบหน้าตกนรกอีกแล้วเนี่ยเป็นสวรรค์เป็นนรกบัด น, นี้เราอยู่แต่เพียงสวรรค์ไม่เป็นตกนรกแต่ว่าไม่รู้จักทิศทางออกธรรมอยู่กับโลกิยธรรมอันนี้คาว่าโลกิยธรรม เราจะแสวงอาโลกุตละธรรมแต่ทางนี้ออกทางนี้ตอนนี้เมื่อเราหาทางออกโลกที่จะทำไมได้เราก็ต้องหมุดเบียดอยู่ในโลกเรียดทําดีกับโลกเป็นวิสัยของตนเป็นวิสัยของตั์โลกเป็นวิสัยของตัด ย, ยังไม่เป็นวิสัยของมนุษย์ยังไม่เป็นวิสัยของพระเยซูครินให้เข้าใจกันเมื่อเราแสวงหาทางคนพบได้แล้วนั่นแหละเป็นวิสัยของโลกอุตละธรรม ไม่ใชว่ารู้ทันทีได้ทันทีไม่ใช่อย่างนี้ว่าเราต้องอาศัยทาให้มีญาตปัญญาจริงๆทําจริงๆไม่ทําจริงแล้วก็มันก็ไม่ได้จริงจะเราจะตายเนี่ยมันมีแล้วที่จะทําให้เราตายคลยๆคือเราเราไปมันจะมีอันตัดสินเองมันเนี่ยอย่างหลวงพ่อว่าตัดจากคือของจริงแท้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนทุกคน ต, sol, ต้องตายต้องไปประสบอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราจะไปโลกิิยธรรมถ้าเรารู้จักอันนี้มันจะทางออกไปทางนี้มันเป็นอย่างมันมาทางนี้มันเป็นโลกินิยธรรมไปทางนี้มันจะเป็นโลภินิยธรรมสอนการให้รู้จักให้มันเห็นให้มันรู้ทำคเข้าใจดังนั้นคนมันไม่เข้าใจโลกุตธรรมไม่ต้องทําอะไรโลกินิธรรมต้องทํำในขณะที่เราทํายังไงจิตใจเราสบายเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยมันเป็นเองอยู่แล้วเนี่ รวมเป็นเองนั่นแหละจิ๋วโลกุตตราธรรมไม่ต้องเกิดไม่ต้องแกไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายคำว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไม่ต้องทําอะไรเนี่ย <im itat> ไม่ต้องทําอะไรมันมีแล้วจิ๋ว่าเป็นสัจจะเป็นของจริงเปลี KN ่ยนแปลงไม่ได้จิ๋วคนไทยก็ต้องตายอย่างนั้น <im itat> คนจีนก็นต้องตายอย่างนั้นคนฝรัง่งเศคนอังกฤษค น, อ, คนอเมริกาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องตายอย่างนั้นจิ่ว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 ดังนั้นพวกเราอาจจะได้ก็ต้องพยายามพูดนพพ่อพูดไปแก่คนฟังดูมันเข้าใจน้อยนะเพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยฟังนั่นแหละมันตอบับอย่างที่นพพอพูดฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็มันไม่มีมันก็ไม่มีของเขาแกมันมีในเขาแกเขาไม่รู้เหมือนกับเกลียวที่มันอัดแน่นเกลียวหันแน่นแล้วไม่มีวันจะมูนออกมามันก็ไม่ขายออกมาเกลียวจะหันแน่นออย่างนั้น มันก็โค่นหน้าอยู่นะไม่ไม่ง่ายขึ้นมันก็ปิดอยู่นะไม่เปิดเท่านั้นเองเลือกเดียวละที่เมืองไทยก็มีหลายนะอาจารย์นั้นดังดังอาจารย์นี้ดังๆเนี่ยก็ต้องไปหาอาจารย์ที่ดังๆังทุกองอย่าอาจารย์ใดดีก็ต้องไปหาเลยเราชอบอาจารย์ไหนต้องไปอาจารย์นั้นแต่เราเลือกเอาให้เป็นเพราะเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์ใครจะห้ามเราไม่ได้อยากไปเท่นล้วต้องไปถ้าเราชอบ ถ้าเราไม่ชอบไปนะไม่ต้องไปเนี่ยให้เขา้าใจยังนะตัวการเลือกขัดจัดหาออกให้เป็นอย่างที่องค์ุริมานโจรก็ประสบมาแล้วเขาจะแป้งฆ่าเราก็ได้องค์ุริมานอาจารย์ฆ่าคนต้องผันคนต้องมีคนหนึ่งฆ่าองค์ุริมานได้เขาคย่างนั้นแต่องค์ุริมานไม่รู้ดีโชคดีมีพระพรุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพรุทธเจ้าแล้วกับองค์ุริมานก็ต้องถูกคขาตัดคอเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันให้เข้าใจตัว เดี๋ยวเนี้ครบูบาอาจารย์สอนหลายอย่างหนวงพอเคยเห็นแล้วงพ่อเคยไปฟังเทศน์ฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ดีทุกองศึกษาด้วยความจริงใจแก้ไขปัญหาตัวเองแก้ไขปัญหาคนนั้นคนช่วยกันแก้ไขให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจเจริญขึ้นอย่าให้มีการขัดแย้งภายในจิตใจของเราถ้ามีการขัดแยง้งจิตใจของเราใครสอนก็ไม่จบเราจงมาแก้ปัญหาตัวเราการขัดแย้งมีที่ตัวเรา คนนั้นพูดให้พอใจเขาไม่ได้รู้ใจเราเราไม่พอใจเขาไม่รู้เราชอบเขาเขาไม่รู้เราเกลียดเขาไม่รู้จุดเราดูที่ใจเราเมื่อเราไม่มีการขัดแย้ยงกับใจเราเราไปกับใครก็ได้อยู่กับกัดไล่ก็กได้เพราะมันสั่นไลยไม่ได้ทําเราแล้วนี่ที่หลวงพ่อขุดที่นี่มีเสือมีสคาร์มีแมงป่องมันก็อยู่มันก็อยู่ประมาณ น, นี้มันก็ไม่ทําร้ายเราได้ เ, เพราะเราเออกชนะมันได้ อันนั้นเป็นภายนอกที่เราหมเราฆ่าไปเพราะนั้นเรามันก็แล้วเรื่องเราเราหมดให้มันหมดยอย่างนี้เดยวอันนี้เขาว่าเรื่อโลกิยธรรมถ้าเราอยู่อย่างเมื่อเราไปแล้วตายแล้วก็เป็นโลกุตตธรรมแต่เราอยู่ในโลกุตตธรรมเพราะว่ามันไม่มีการขัดแย้งทั้งวั น, น, นที่พูดให้ฟังก็นึ ก, กว่าจะจัดไปปฏิบัติได้คิดวนะ่ถ้าว่าพูดอย่างนี้ยังเอาไปปฏิบัติไม่ได้ก็ น, น่าพวกเราที่จะเข้าใจเพราะการพูดอย่างนี้ มันไม่ค่อยมีโอกาสมันมีเวลาการพูดอย่างนี้ต้องเหมาะสมกับบุคคลที่ฟังถ้าคนยังไม่เหมาะสมกับการฟังพูดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอันรตรายเนี่ยคนใดชอบก็ต้องฟังเอาไปปฏิบัติคนใดไม่ชอบพอแล้วใส่ดูสภาพแล้วคนเหมาะเหมาะสมเป็นนักปฏิบัติสนใจกันจริงไหมถ้าหากไม่เป็นนักปฏิบัติไม่สนใจพูดแล้วก็เสียเวลา หนึ่คนฟังก็เหนื่อยก็ไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองถ้ามีคนสนใจฟังแล้วก็พูดเพื่อทำคนเขาใจทําเขาให้เขาได้ทําหน้าที่ของเขาไปโดยตรงมันก็ได้ประโยชน์ทางคนพูดได้ประโยชน์ทางคนฟังดังนั้นการทําผมรู้สึกตัวนะั่นจึงมีอานิสงส์มากถ้าไม่รู้สึกตัวในขณะในเวลาใดแล้วว่าคนหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจใคร่คคือเราไม่มีชีวิตสี่เอง เราก็เลยเรียกว่าสติเพิสติไปแล้วีเนาะจะไม่ต้องพูดเอาภาษาบ้านเราเอาภาษาปัญญลุงตนจะเลินตัวใครจะพูดอะไรเในเรื่องของคำพูดของคนเราจะไปยึดไปถือเราต้องพยายามดูใจเนาะอย่าให้มีการขัดแย้งภายในจิตใจฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆควมเคยสิ้นอันนั้นขึ้นมาโดยเหตุผลฟังอันนี้ฟังแล้วมีเหตุมีผล ฟังและไปปฏิบัติตามเนี่ยว่าสุตตะไมยปัญญาฟังฟังและไปปฏิบัติตามสุตะไมยะปัญญาจินตะมยปัญญาภาวนามยะปัญญาภาวนามยปัญญาตัวปัญญาญาญาณของปัญญาทําให้มันจเจิดปัญญาจนปีญาาปัญญาเกิดขึ้นหรอกวันนี้พวกเราฟังฟังและไปปฏิบัติตามมันมีเหตุมีผลไม่ไปสอบฟังแล้วที่งไว้ที่ตรงนี้ นั่นมันไม่ได้พ้นที่ต้องพอพูดให้ฟังรับรอว่าทุกคนทําได้นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็ทําได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว่ดี๋ไม่รู้ในขณะที่มันโกนในขณะที่เราโกนขึ้นมาเราหลงเราไม่ได้รู้ตัวเราจนมันโกนแล้วเรา ย, ยัางรู้รู้มันพอแล้วมันตกนรกเนี่ย น, ะน ก, ก็ไปสวรรค์มันเพราะมันเตาอยู่ระเบิดสวรรค์โกนขึ้นมาก็ไป น, น, กนรกแล้วเดี๋ยวนรกกับสวสรรค์จะดูด้วยกันโลกินะทำกับโลกุณะทำไปสายเดียวกันไปไม่เึร คนใดไปไม่ถึงคือสลัดการขัดแย้งไม่ได้คำว่าโลกิยธรรมคนใดไปถึงสลัดการขัดแย้งได้คำว่าโลกุตระธรรมไม่มีการขัดแย้งในใจใครจะพูดอะไรเป็นเรื่องของคนนำคนเนี้เขำว่าเอื้นโลกิยธรรมแต่ว่าคนยังสินข้าวทาการทำงานตามหน้าที่แต่ไม่มีการขัดแย้งเขาเรียกว่าโลกุตระธรรม ไม่ใด้จะเป็นเนภาคโภคของเจา้าไม่ได้จะเป็นในญาติโยมเป็นเหมือนกันหมดยมเมื่อคนใดรู้แล้วจะโหยวนึกคิดไม่ได้คนใดรู้แล้วจะทำลายก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นเดีไม่ต้องทำอะไรเพียงพอที่จะเข้าใจเอาละที่หลวพอได้ ใ, ให้พอคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจวัน น, นี้พอนึกว่าคมคนกี่รายเนี่ยท้าที่สุดนี้อาตมาพอโประสงค์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หนะ้ทนี่อาตมาขออ้างเดี๋ เจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพร้สัมมาสัมพุทธจะมาเตือนจิตสจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้พบได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ทัดทั้งหลายเราผู้เป็นตาตาก็ไปถึงและเห็นและจึงนํามาสอนพวกเธอาทาั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตราตาก็นี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอยา่างเราจะทางคนนี้ไม่ไปแข้งขาหน้าตาหรือเท้าเป็นพระพุทธเจ้าอันเป็นพระพุทธเจ้าคือจิตใจสะอาจิตใจสว่าจงจิตใจสจงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจค้องไสจิตใจว่องไวนั่นแหะคือจิตใจพระพุทธเจ้าก็มีในคนทุกคนไม่มียกเว้นเลยอันนี้มีในคนทุกคนพระพุทธเจ้าอยู่ไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเราจับเอานั่นมาใช้ได้ก็เราก็ต้องเป็นโลกุตตรธร เราม่ไดเป็นพระเจ้าเป็นสาวกพุทธะทำตามพระพุทธเจ้าก็ต้องเรียนรู้ตา ม, มเห็นตามถ้าไม่รู้ตา ม, มเห็นตามก็เป็นการเดินส่วนทางกักบพระพุทธเจ้า